ในสมัยข้าวยากหมากแพงมีห้าเรื่องคือเรื่องข้าวสุกหนึ่งเรื่องหนึ่งสมัยนั้นเมื่อเกิดข้าวยากหมากแพงภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปร้านขายข้าวสุกมีทายจิตได้ลัเข้าวสุกไปเต็มบาทแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุ